อวิสัชยวัตถุว่าด้วยของที่ไม่พึงสละสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งไม่ห่างจากกรุงสาวัตถีจัดแจงเสนาสนะแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ และภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางได้รับความลำบากครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่า<อ>เวลานี้<อ>พวกเราจัดแจงเสนาสนะแก่พวกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู้เตรียมจะออกเดินทางได้รับความลำบากท่านทั้งหลายเอาเถอะพวกเราจะมอบเสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมด แก่ภิกษุรูปหนึ่งจะใช้สอยเสนาสนะของเธอภิกษุเหล่านั้นได้ให้เสนาสนะของสงฆ์ทั้งหมดแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุอาคันตุ ก, กะทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ประจำในอาวาสเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดจัดเสนาสนะให้พวกกระผมเถิด ภิกษุผู้อยู่ประจาในอาวาสทั้งหลายตอบว่าเสนาสนะของสงไม่มีหรอกท่านเสนาสนะทั้งหมดพวกเรามอบให้ภิกษุรูปหนึ่งไปแล้วภิกษุอาคันตุ ก, กะทั้งหลายถามว่าพวกท่านมอบเสนาสนะของสงให้ภิกษุรูปหนึ่งไปแล้วหรือภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสทั้งหลายตอบว่า ใช่แล้วท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตำหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนภิกษุทั้งหลายจึงสละเสนาสนะที่เป็นของสงเล่าครั้งนั้นแหลภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาค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 ภิกษุทั้งหลายของที่สละไม่ได้ห้าหมวดสองคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัตถุลัดใจของที่ไม่ควรสละห้าหมวดคืออะไรบ้างคือหนึ่งอาราม พื้นที่อารามนี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่หนึ่งสอคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัตถุนลัดใจ 2. วิหารพื้นวิหารนี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่สอง สงคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัตถุนลัดใจสามเตียงตังฟูหมอนนี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่สามสงคณะหรือบุคคล ไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสลัรูปใดสละต้องอาบัตถุนลดใจสหม่อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึงจอบสว่าน นี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่สี่สองคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัตทุนลัดใจห้าเถาวันไม้ไผ่หญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามันดินเครื่องไม้และเครื่องดินนี้เป็นของที่ไม่ควรสละอันดับที่ห้าสงคณะหรือบุคคลไม่พึงสละแม้สละแล้วก็ไม่เป็นอันสละรูปใดสละต้องอาบัตถุลัจใจภิกษุทั้งหลาย